พรเบูฮยวออกจากผลสมาบัติเมื่อเวลาแปดนาฬิกาตรงของวันรุ่งขึ้นท่านแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้มารดาและพ่อเลี้ยงพร้อมกันนั้นก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้บุคคลทั้งสองเลิกทำปานาติบาตอันเป็นมิจฉาอาชีวะหันมาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะท่านรู้สึกถึงพลังที่แผ่ออกไปจากตัว และเกิดความมั่นใจอย่างประหลาดว่านางบุญพาและนายรุ่มสามีของนางต้องได้รับส่วนแห่งบุญกุศลนั้นอย่างแน่นอนเสร็จกิจธุระอันสำคัญนั้นแล้วท่านจึงส่งน้ําทำความสะอาดร่างกายรู้สึกตัวเบาสดชื่นกระปี้กระเป๋าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนอำนาจแห่งบุญกุศลอันเกิดจากภาวนาใหม่ช่างประณีตลึกซึง้ง และจิต ท, ที่ฝึกไว้ดีแล้วเท่านั้นจึงจะสัมผัสได้เลยเวลาอาหารเช้าร่วมครึ่งชั่วโมงท่านไม่รู้สึกหิวจึงเริ่มเดินจงกรมและตั้งใจจะนั่งสมาธิไปจนถึง11นาฬิกาอันเป็นเวลาเพลนต่อจากนั้นจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาญาติพี่น้อง ครูอุปชาอาจารย์เทพยดาเปรตและสรรพสัต ท, ทั้งหลายทุกภพภูมิโดยไม่มีประมาณและที่จะลืมเสียไม่ได้ก็คือเจ้ากรรมนายเวนของท่านบางทีพวกเขาอาจพากันโอโหิ ก, กรรมให้หรือไม่ก็ให้ท่านชดใช้กรรมเร็วขึ้นอย่างช้าก็ขอให้ก่อนเวลาที่พระอุปชายาจารย์ของท่านจะมรณภาพ เพื่อใช้หนีนกเดินจงกรมได้ชั่วโมงเศษจึงกำหนดนั่งรู้สึกสมาธิตั้งมั่นได้รวดเร็วกว่าทุกครั้งการกำหนดพองยุบชัดเจนและสม่ำเสมออาการปวดมื่ยต่างๆไม่ปรากฏท่านรู้สึกสบายกายสบายใจตลอดเวลาที่นั่งมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมและสามารถประคองจิตไว้ไม่ให้ตกภวัง กระทั่งได้ยินเสียงระฆังเพลจึงถอนจิตออกจากสมาธิแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกวุศลจากนั้นจึงเดินไปยังหอฉันเพื่อฉันพัตหารเพลงพระโบเเเียอกำลังจะ ก, ก้าวเท้าขึ้นบันไดหอฉันก็ได้ยินเสียงเรียกอยู่ข้างหลังหันไปดูก็พบชายไวกลางคนนั่งคุกเข่ากับพื้นซีเมนมือประคองถาดอาหารเป็นถาดทรงกลม ทำด้วยกระเบื้องลายครามในถาดมีชามชุดบรรจุอาหารพร้อมฝาครอบตรงกลางถาดมีแก้วใส่น้ำไม่เกือบเต็มท่านบัวเหียวเราขออนุมัติธนาในส่วนกุศลที่ท่านได้ทำแล้วขอถวายอาหารมื้อนี้แก่ท่านโปรดรับประเคนด้วยพระบัวเหวียวยื่นมือทั้งสองออกไปรับถาดอาหารและถามขึ้นว่า โยมมาจากไหนแล้วทำไมถึงรู้จักอาตมาท่านไม่เคยเห็นบุรุษผู้นี้มาก่อนท่าทางเขามีอะไรอะไรที่ผิดไปจากคนธรรมดาแม้จะแต่งตัวเหมือนชาวบ้านทั่วๆไปทว่าผิวพรรณดูละเอียดผุดผ่องทั้งยังมีกลิ่นหอมจางๆออกมาจากกายเป็นกลิ่นที่จมูกของพระโบเหี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเราอาศัยอยู่แถวนี้ แต่ไม่เคยมาให้ใครเห็นนอกจากท่านพระครูแล้วก็มีท่านนี่แหละที่เห็นเราสิ่งนั้นก้องเกลงวานแม้จะไม่มีคำว่าครับหากก็ฟังไม่ขัดหูขอบใจยิ่มากเชิญขึ้นข้างบนก่อนสิจะได้คุยกันไม่รอเราจะรีบกลับเราไปละ่ะบุรุษนั้นก้มลงกราบสามครั้ง แล้วลูกเดินออกไปทางประตูหลังวัดพระบูหิวคิดว่าเขาคงเป็นชาวบ้านฝั่งโน้นภายเรือข้ามฟากมาจึงอยากไปดูให้เห็นกับตาวางถาดใบนั้นไว้ตรงหัวบันไดแล้วเดินตามออกไปติดๆครั้นพ้นประตูวัดออกไปกลับไม่พบผู้ใดเดินอยู่แถวนั้นแม้แต่คนเดียวมองลงไปในลำน้ำก็ไม่พบเรือแม้แต่ลาเดียวเช่นกันท่านจึงเดินกลับหอฉัน ด้วยความฉะงนชะงายคิดว่าฉันเสร็จจะต้องไปเรียนถามท่านพระครูให้หายข้่องใจพระบฮิเียลหยิบถาดอาหารตรงหูบันไดขึ้นมาครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วจึงเปิดฝาครอบออกทีละใบชามแรกเป็นข้าวสวยชามที่สองเป็นน้ำพริกชามที่สามเป็นผักต้มมองเผินๆก็เป็นอาหารพื้นๆของพวกชาวบ้าน ทว่ากลิ่นนั้นหอมหวนชวนรอบประทานยิ่งหนักท่านใช้ช้อนตักน้ำพริกราดลงบนข้าวแล้วใช้ส้อมจิ้มผักต้มมาวางบนน้ำพริกตักใส่ปากกำหนดเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอกระทั่งกลืนหนอแล้วก็ให้รู้สึกอิ่มแปล้ทั้งที่ฉันไปเพียงคำเดียวยกแก้วน้ำขึ้นดื่มแล้วหันไปบอกพระที่นั่งข้าง ลงน้ําพริกผักต้มในดูสักคำสิครับรสชาติอร่อยดีแท้อร่อยก็ให้กําหนดรสหนอนะครับอย่าไปปรุงแต่งภิกษุรูปนั้นถือโอกาสสอนและพูดต่ออีกว่าวันพระวันโกนเขาก็ต้องฉันหมูเห็ดเป็ดไก่เรื่องอะไรจะไปฉันน้ําพริกเบื่อจะแย่อยู่แล้วท่านพูดเพราะไม่ได้กลิ่นอย่างที่พระโบเฮิเอลได้ในสายตาของภิกษุรูปนั้น สิ่งที่อยู่ในถาดก็คือน้ำพริกผักต้มธรรมดาที่ท่านแสนจะเบื่อหน่ายระหว่างที่นั่งรอพระรูปอื่นๆฉันพระโบเฮียวก็กำหนดสติด้วยการพิจารณาพ่องยุคที่ท้องจิตของท่านเริ่มจะชินกับการเจริญสติอยู่ทุกอิริยาบถเป็นไงวันนี้อาหารไม่ถูกปากเรื่องยังไงฉันน้อยหรือเกิน พระมหาบุญถามอย่างเป็นห่วงหาไม่ได้ครับผมอิ่มและรู้สึกมีความสุขมากลุงพีแม่ลองสักคำหรือครับพูดพลางส่งชามผักและน้ำพริกให้พระมหาบุญตักมาชิมอย่างเสียไม่ได้ในความรู้สึกของท่านมันก็เป็นอาหารธรมธรมดาธรรมดาที่ไม่มีรสชาติอะไรพระโบเหี่ยวไม่รู้ดอกว่าสิ่งที่ตนกาลังประสบอยู่ในขณะนี้ เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนเมื่อฉันเสร็จและยะถาสพีพร้อมกับภิกษุรูปอื่นๆแล้วพระโภ HEEL ก็เดินตรงมายังกุฏิท่านพระครูเป็นเวลาเดียวกับที่ท่านเจ้าของกุฏิบอกให้บรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกทั้งหลายพากันไปรับประทานอาหารที่โรงครัวแล้วท่านก็ไม่ได้ขึ้นไปเขียนหนังสือข้างบนเพราะรู้ว่า พระโบเหี่ยวจะต้องมาหาเพียงอึดใจเดียวพระหนุ่มก็มาถึงหากคราวนี้มาในมาศใหม่คือมาศของผู้มีใบหน้าอันเปื้อนสุกกราบพระอุปชาสามครั้งแล้วภิกษุวัยใกล้30สจึงเริ่มเรื่องลุงพ่อครับผมปฏิบัติได้ตามที่เคยกราบเรียนลุงพ่อไว้ทุกประการดีมาก ฉันขออนุโมโอธนาอาจารย์ยกมือขึ้นสาธุแต่มันมีเรื่องสงสัยเกิดขึ้นแล้วครับลุงเพ่ะผมสงสัยจริงๆและก็รู้ว่าลุงพ่อต้องแก่ข้อสงสัยให้ได้แมมรู้สึกว่าเธอจะมีวิจิกิจฉานิวรมากจังนะบัวเหี่ยวนะพระอุปชาว่ามันไม่ใช่วิจิกิจฉานิวรหรอกครับลุงพ่ะ มันสงสัยยังไงก็บอกไม่ถูกรู้แต่ว่ามันไม่ใช่นิวร์แต่เป็นอะไรก็ไม่รู้งั้นก็ลองเล่าไปสิพระโบริเหียวจึงเล่าเรื่องที่บรุษผู้นั้นนำอาหารมาถวายเล่าอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบฉันขออนุโมทนาท่านพระครูพูดพร้อมกับยกมือขึ้นสาธุ พระบูเหียวรู้สึกงุนงงหนักขึ้นกำลังจะเอ่ยปากถามท่านพระครูก็พูดขึ้นว่าฉันขออนุโมทนาเธอปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากที่สุดในบรรดาภิกษุที่อยู่ในวัดนี้รู้ไว้เสด้วยผู้ชายที่นำอาหารมาให้เธอเมื่อสักครู่นี้นะ่ะคือเทวดาไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดา อย่างที่เธอเข้าใจหรอกนะเทวดาพระปูฮิเอทวนคำจะเป็นไปได้อย่างไรครับลุงพอถามอย่างข้องใจเต็มประดาได้หรือไม่ได้มันก็เป็นไปแล้วเธอจำไม่ได้หรือที่เขาพูดกับเธอว่านอกจากฉันแล้วเธอเป็นคนที่สองที่ได้เห็นเขาคงจะจริงครับ เอและพวกถาดกับถ้วยชามของเขาล่ะครับผมไม่ได้เอาลงมาจากหอชั้นแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปคืนให้ที่ไหนพระน่งเกิดห่วงเรื่องถ้วยชามอย่ากังวลเรื่องนั้นไม่ต้องกังวลของเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาเนรมิตขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็เรียกกลับคืนไปได้แล้วทำไมเขาถึงจอดจงมาถวายผมคนเดียวล่ะครับ แล้วพระมหาบุญชิมดูก็ไม่ได้รสชาติอย่างที่ผมได้บัวเหี่ยวเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะแล้วเธอก็ไม่ต้องไปบอกใครเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับฉันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วฉันก็ไม่เคยบอกกล่าวให้ใครฟังที่บอกเธอเป็นคนแรกเพราะเธอได้ประสบการณ์แบบเดียวกัน ฉันถึงได้อนุโมทนากับเธอยังไงล่ะเงินที่ลุงพ่อไม่ค่อยฉันอะไรแล้วอยู่ได้ทั้งวันก็เพราะฉันอาหารของเทวดานี่เองใช่ไหมครับก็คงอย่างนั้นเขาเรียกว่าอาหารทิพที่เรียกอย่างนี้เพราะมันประณีตกว่าอาหารของมนุษย์ซึ่งเป็นอาหารหยาบต้องฉันที่ละมากมาก แล้วก็ถ่ายออกมาเป็นอุจจาระฉันมากก็ถ่ายมากแต่อาหารทิพฉันคาเดียวก็อิ่มแล้วก็ไม่มีกากเหลือเป็นอุจจาระพวกเทวดาเขาจึงไม่ต้องถ่ายอุจจาระบนสวรรค์ก็เลยไม่มีซ่วมเหมือนอย่างโลกมนุษย์ท่านพระครูอาธาิบายหลวงพ่อเคยไปดูมาแล้วหรือครับ ถึงไม่ดูก็รู้ที่รู้เพราะเห็นน่ะที่เห็นเพราะเห็นหนอบอกใช่ไหมครับเออน่ะจะอะไรก็ช่างถ้าเธออยากเป็นอย่างฉันก็ให้ริ่งทําความเพียรเข้าวันหนึ่งก็จะสําเร็จได้หลวงพ่อครับทำไมเทวดาเขาจึงนําอาหารมาถวายเฉพาะผมกับหลวงพ่อละครับทำไมพระรูปอื่นๆ เขาจึงไม่ถวายก็เขาพอใจในการประพฤติปฏิบัติของเรานะสิอย่าลืมนะบัวเหีียวพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นประเสริฐกว่าเทวดาเสียอีกแม้เทวดาเขาก็นับถือการที่เขานำอาหารมาถวายเขาก็อยากได้บุญเหมือนกันในสมัยพุทธกาล เมื่อพระอระหันต์ท่านออกจากนิโรธสัมมาบัติพวกเทพยดาก็พากันนำอาหารมาถวายโดยแปลงมาในรูปของมนุษย์เป็นเทวดาก็ยังอยากได้บุญอีกหรือครับอยากได้สิก็เวลาที่เราปฏิบัติกรรมฐานเสร็จเราถึงต้องแผ่เมตตาอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เทวดาด้วย เมื่อเขาได้รับส่วนกุศลเขาก็อาจจะตอบแทนบุญคุณเราด้วยการนําอาหารทิพย์มาถวายและเมื่อเขาถวายก็ได้บุญเพิ่มขึ้นอีกแล้วเทวดาเขาไม่ปฏิบัติกรรมฐานหรือครับถ้าเขาอยากได้บุญมากๆก็น่าจะปฏิบัติเองแทนที่จะมาคอยรับส่วนบุญจากมนุษย์เขาก็คงอยากปฏิบัติแต่บางครั้ง ก็หาคนสอนให้ไม่ได้อีกประการหนึ่งภูมิของเทวดาเป็นภูมิที่มีแต่ความสุขสบายเขาก็เลยพากันเสพสวยความสุขสบายนั้นจนเพลินเรียกว่าบรรยากาศบนสวรรค์มันไม่เอื้ออําน่ยต่อการประพฤติพรหมจรรย์ว่างั้นเถอะ งั้นเป็นมนุษย์ก็ดีกว่าเป็นเทวดาสิครับมันก็ดีกว่าในแง่นี้แต่ถ้าจะเอาในแง่ของความสุขสบายเป็นเทวดาก็ดีกว่าเพราะเทวดามีความสุขทิ่เป็นความสุขที่เนรมิตขึ้นมาได้ตามใจปราถนางั้นผมอยากเป็นเทวดาแล้วสิครับจะได้สวยอาหารทิ่ทุกๆวัน อย่าเลยบัวเหี่ยวเป็นเธอนั่นแหละดีแล้วเพราะทางที่เธอกำลังเดินอยู่นี้เป็นทางสายเอกที่จะนำเธอไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารกานเป็นเทวดาแม้จะสุขสบายอย่างไรก็ต้องเวียนว่ายวกวนอยู่ในสงสารสาคร อ, อย่างไม่รู้จบสิน้นแล้วก็ใช่ว่า จะเลือกเกิดเป็นเทวดาได้ทุกภพทุกชาติมเสมอไรประมาทพลาดพลั้งลงเมื่อใดก็ต้องไปเกิดในอบายทุกคติวิณิบาตนรกลุงพ่อครับพวกเทวดานี่มีแต่ดีๆใช่ไหมครับที่เลวๆมีไหมครับสอ์ถามอีกเทวดามีสองประเภทคือพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิ กับพวกมิจฉาทิฏฐิก็เหมือนมนุษย์นั่นแหละมีทั้งคนดีและคนเลวพวกเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นพวกเทวดาตรงส่วนพวกมิจฉาทิฏฐิเป็นเทวดาผ่านพวกหลังนี้ชอบกินเครื่องเส้นชอบรับสินบนส่วนพวกแรกไม่รับเพราะชอบความยุติธรรม เทวดาที่นำอาหารมาให้ผมเป็นเทวดาตรงใช่ไหมครับถูกแล้วถ้าเป็นเทวดาผ่านจะไม่ชอบทำบุญก็เหมือนคนเลวที่ชอบทำแต่บาปไม่รู้จักสร้างบุญสร้างกุศลใส่ตัวเทวดากับมนุษย์จะว่าไปแล้วก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่สำหรับเธอขณะนี้อาจเรียกว่า ดีกว่าเทวดาแต่ก็อย่าลำพองใจอย่ากำเริบเสบสารขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อไปวันหนึ่งก็อาจจะถึงจุดหมายได้พระบูเหียวแสนจะดีใจจนต้องกำหนดดีใจหนอดีใจหนออยู่นานลุงพอครับผมจะเล่าเรื่องนี้ให้พระมหาบุญฟังจะได้ไหมครับ ท่านขออนุญาตอาจารย์ไม่ได้เด็ดขาดก็ฉันบอกแล้วอย่างไงว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวห้ามนำไปบอกเล่าใครดีไม่ดีเขาจะหาว่าเธอบ้าดูแต่ฉันสิได้ฉันของทิพย์มาตั้งสีห้าปียังไม่เคยปริปากบอกใครที่บอกเธอเป็นคนแรกก็เพราะเห็นว่า เธอก็ประสบมาแบบเดียวกันจึงพูดกันรู้เรื่องไม่เห็นหรอกหรือว่าตอนให้พระมหาบุญชิมอาหารทิพเขาก็ยังเห็นเป็นของธรรมดาธรรมดาทั้งนี้เพราะเทวดาเขาจงใจให้เธอพูดเดียวคนอื่นมาชิมจึงไม่ได้รสและกลิ่นอย่างที่เธอได้ฉันขอร้องนะบัวเหี่ยวห้ามนาเรื่องนี้ ไปบอกใครเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านเข้าใจหรื อ, อยังละ่ะเข้าใจครับแต่ลุงหอครับถ้าเกิดพระมหาบุญท่านเจอเหตุการณ์แบบผมแล้วผมค่อยบอกว่าผมก็เจอมาแล้วอย่างนี้จะได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ได้ ต้องให้เขาประสบกับตัวเองเสียก่อนเขาถึงจัดเชื่อเพราะของอย่างนี้มันพิสูจน์ให้ผู้อื่นรู้เห็นด้วยแบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้มันไม่ใช่ของสาธารณะแต่เป็นของเฉพาะตนเพราะฉะนั้นถ้าเธอปากสว่างไปเที่ยวบอกใครต่อใครเขาจะต้องว่าเธอบ้าแน่ๆจำเอาไว้แล้วจะบากไหมครับ บาปสิบาปทั้งคนบอกและคนถูกบอกนั่นแหละบาปยังไงครับอย่างผมเนี่ยผมพูดเรื่องจริงไม่ได้โกหกแล้วจะบาปได้ยังไงก็เวลาที่เธอพูดเรื่องจริงแล้วคนฟังเขาไม่เชื่อนะ่ะเธอรู้สึกอย่างไรล่ะโกรธสิครับผมกโกรธหัวฟัดหัวเวียงเลยแต่พอรู้ตัวผมก็จะกำหนดกโกรธนอโกรธนอ ไปจนกว่าจะหายโกรธครับถึงอย่างนั้นเธอก็โกรธใช่ไหมก่อนจะกำหนดได้เธอก็โกรธไปแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วโกรธเป็นอะไรเป็นอกุศลละมูลตัวไหนตัวโทสะครับและบาปไม่เล่าบาปครับนั่นแหละฉันถึงบอกว่า ไม่ต้องเล่าให้คนอื่นฟังเพราะเกิดเขาไม่เชื่อเธอก็ต้องบาปแต่ถ้าเกิดเขาเชื่อล่ะครับเป็นไปไม่ได้หลอกบัวเหี่ยวเอย๋ยคนสมัยนี้เขาคิดว่าเขาฉลาดจึงไม่เชื่ออะไรง่ายๆอย่างที่เธอคิดแถมใครเชื่อง่ายเขาก็หาว่าโง่งี่เง่ายิ่งเรื่องอย่างนี้เขาไม่เชื่อเด็ดขาด คนทุกวันนี้เขาไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเพราะเขาหาว่าสิ่งเหล่านี้ไร้สาระพอตายไปก็เลยไปตกนรกกันมากต่อมาโดยไม่มีโอกาสกลับมาแก้ตัวน่าสงสารท่านสายหน้าช้าๆอย่างปลงสังเวชแต่ถ้าเราสามารถพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ละครับ เธอจะเอาอะไรมาพิสุจิ์เอาละสมมติเรื่องที่เกิดกับเธอวันนี้ถ้าคนฟังเขาอยากเห็นเทวดาบ้างเธอจะเอาเทวดาที่ไหนมาให้เขาดูเพราะเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าเทวดาองค์นั้นมาจากไหนอย่าไปคิดให้ปวดหัวเลยนะเชื่อชันเถอะครับไม่คิดก็ได้ครับ พระหนุ่มรับคําอย่างว่าง่ายหากก็ยังไม่หายสงสัยจึงถามอีกว่าหลวงพ่อครับแล้วคนฟังเขาจะบาปไหมครับคือผมเล่าแล้วเขาไม่เชื่อเขาจะบาปไหมครับเธอว่าบาปไหมละ่ะก็เพราะผมไม่ทราบนะสิครับถึงเดี่ยวเรียนถามหลวงพ่ออยู่นี่ไงกรุณาอธิบายให้ผมฟังหน่อยเถอะครับแหม คำถามเธอมันแค่ระดับป .4 เท่านั้นนะบัวเหี่ยวท่านตำหนิไกลๆ ก, ก็ผมจบแค่ป .4 นี้ครับไม่ได้จบมัธยมเหมือนหลวงพ่อจะได้มีคำถามระดับม .6 มาถามคนเป็นสิทธิ์ย้อนไม่แน่รอกบัวเหี่ยวคนจบป .4 ส, สามารถถามคำถามระดับม .6 ได้ ฉันจบแค่มหกยังถามคำถามระดับปริญญาเอกได้เลยแม้ก็ใครใครจะเก่งอย่างลุงพ่อละครับยังลุงพ่อน่ะมีคนเดียวในประเทศไทยหรืออาจจะในโลกด้วยซ้ำส่วนงี่เง่าอย่างผมน่ะมีมากมายหลายหลากเออน่ะเออน่ะไม่ต้องพร่ำพรรณน า, นาให้มันมากมายถึงปานนั้นหรอก จะให้ตอบอะไรก็ว่ามาก็ผมถามแล้วนี่ครับถามว่ายังไงล่ะก็พูดเยิ่นเย้อยืดยัดสิจนฉันลืมถามใหมส่สิฉันจะได้รีบปรีบตอบประเดียวคนอื่นมาจะได้ไม่ต้องรอคิวพระบูเหี่ยวจึงต้องทวนคำถามใหม่ว่าผมเรียนถามลุงพอว่าคนฟังเขาจะบาปไหม ถ้าผมเล่าเรื่องเทวดาให้เขาฟังแล้วเขาไม่เชื่อเขาจะบาปไหมครับท่านพูดช้าๆชัดถ้อยชัดคำก็ตั้งใจยวนด้วยนั่นแหละท่านพระครูจึงตอบว่าบาปสิบัวเหี่ยวก็ในเมื่อเธอพูดเรื่องจริงแต่เขาไม่เชื่อก็เท่ากับเขามีอกุศลข้อโมหะใช่ไหมใช่ครับ สิบล้อเลียนขณะนั้นบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์ก็ทยอยกันเข้ามานั่งเพื่อขอให้ท่านช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์ให้วันนี้คงจะเป็นวันของคนท้องเพราะผู้หญิงคันแก่พากันมาร่วมสิบรายที่กลับไปเมื่อตอนเช้าก็หลายรายแต่ละราย จะต้องได้ผลมะตูมเสกติดไม้ติดมือไปต้มกินเพื่อบำรุงคันแต่ถ้าคันแก่มากจวนจวนจะคลอดท่านก็จะให้กล้วยน้ำว้าเสกไปทานเพื่อให้คลอดง่ายท่านพระครูได้ให้ลูกศิษย์จัดเตรียมผลมะตูมและกล้วยน้ำว้าไว้จำนวนมากเพราะรู้ว่าจะมีคนมาขอบ้างไม่มาเองก็ส่งสามี หรือญาติมาขอแทนเพราะคนเขาพูดกันว่ามะตูมเสกกับกล้วยน้ําวาเสกของท่านนั้นวิเศษนักคนท้องกินเข้าไปแล้วคลอดลูกง่ายทุกรายสตรีคันแก่นางหนึ่งคลานเข้าไปหาเพราะถึงคิวหล่นกราบสามครั้งแล้วถามขึ้นว่าลุงพ่อคะลูกหนูจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเดี๋ยวสิ ตอบตอนนี้ยังไม่ได้ต้องรอให้คลอดออกมาเส็ยก่อนแล้วหลวงพ่อจะบอกคำตอบของท่านเรียกสิ่งหัวเราะจากทุกคนในที่นั้นแล้วท่านจึงสอนหล่อนว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ลูกเรานน่าหนูนะให้เขาออกมาอาการครบ32สองไม่บ้าใบบอดหนวกก็พอแล้วจะเป็นผู้หญิง หรือเป็นผู้ชายกดช่างเขาโตขึ้นขอให้เป็นคนดีมีศีลธรรมก็แล้วกันค่ะเอาไว้เขาโตแล้วหนูค่อยสอนหล่อนว่าสอนเดี๋ยวนี้แหละหนูต้องสอนกันตั้งแต่อยู่ในท้องข้อสำคัญพ่อแม่ต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยถ้าแม่คนไหน นั่งจั่วไพ่ทั้งวันรับรองลูกออกมาเล่นไพ่เก่งเพราะเขาสังเกตการมาตั้งแต่อยู่ในท้องสิยงหัวเราะดังขึ้นอีกอ้าวนี่เรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นเด็กจะดีนะ่ะเขาจะดีมาตั้งแต่ในท้องเลยอย่างบางคนพอคลอดออกมาปุ๊บก็บอกแม่ว่าแม่จ๋า ตักบาทเธอนี่ถ้าเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าคนดีมาเกิดสำคัญเขาจะพูดว่าแม่จ๋าซื้อรองเท้าหน้าสูงถ้าแบบนี้แปลว่าชอบแต่งตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่รองเท้าหน้าสูงไม่มีรคค่าหลวงพ่อสงสัยคงจะเป็นรองเท้าส้นสูงสตรีนั้นแยง ไม่ใช่ส้นสูงรองเท้าหน้าสูงก็คือใส่แล้วหน้าสูงไงละ่ะหน้าเฉิดสูงขึ้นไปเลยท่านทำหน้าเชิดประกอบคนฟังหัวเราะอีกแต่พอถอดรองเท้าออกหน้าต่ำเลยนี่นี่แหละรองเท้าหน้าสูงโยมเคยใส่ไหมละ่ะ ท่านถามสตรีสูงอายุที่นั่งหลังสุดเคยค่าเคยสมัยสาวๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วค่าสังขารมันไม่อำนวยหญิงสูงวัยตอบนางมารอเพื่อขอผลมะตูมเสกไปให้ลูกสาว